เมื่อก่อนนี้ให้หมอไพรนะบอกไปดูกระดูกนะมันเถียงใหญ่รู้สึกน้อยไปคนอื่นทำไมเ็าดูยากๆของเราต้องดูกระดูกมันเถียงอยู่นะมันไม่ค่อยยอมทำนะล้วมันทำจิตนเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าจะพบทางที่ที่จะเดินแล้วคะ่ะพี่แอ๊นลืมไปหลวงพ่อพูดสอนเอร น, นี้มานานแล้วค่ะแล้วลืมไปคือไปอไปรู้สึกกายด้วยฟังผิดไงคะ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 ติดไปก็ติดไปก็เลยอยู่สะ20สิปีเห็นไหมนานกว่าที่ท่านบอกท่านให้ติดสิปีตอนนี้ก็คงจะมันอยู่ที่เรารู้ทันเราเรารู้ทันนะเราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตไปกาะอยู่ที่เท่ารู้ทันไม่ต้องยุ่งะแต่เรารู้กายของเราไปได้หลุดเองเอาพิไวัยก็ยังเพลิดเพลินอยู่ินมีโ้อยลงงงไม่ใช้มีโมหะตอนนี้มี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 การที่เขาหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำไปเรื่อยๆเส้นทางเดินของพระอริยะทุกองค์ก็เดินเป็นทางนี้นะและแล้วถ้าเด็กเขาาซักเราถามเราเราก็ไม่ตอบเขาค่ะถ้าเด็กซั ก, กเนี่ยนะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟัง <laughs>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 เนี่ยตัวจริงเริ่มโผล่แล้วรู้สึกไหมร้ายกว่าที่คิดเห็นไหมค่ะอ้แอย่างนี้ใจตัวจริงใช่อย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะนับปฏิบัติเหมที่มาทำเรียบร้อยอย่างนี้มันของปรอมจริงจริงเนี่ยเคยฟังเทปของพระอาจารย์พูดก็ยังเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าอ้เนี่ยมหาพระอาจารย์น่ากลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าแบบ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 ดีมากเลยนะที่ภาวนาน ใ, ชใช้ได้เลยนะแล้วก็คือก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ<ช>มีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะรู้กตามความเป็นจริงคืออย่าไปดัดแปลงมันค่ะมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้แค่ถือสินห้าไว้ถือสินห้าค่ะถือินห้านะแล้วก็ส่วนใจเราเนี่ยดีก็รู้ร้ายก็รู้ไอย่าไปดัดแปลงมันถือสินห้านี่อย่างเรื่องพูดปดนี่อาจจะ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 นำ้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะมาครั้งที่สองอส่งกันบ้างครั้งที่สองเจ้าค<า>่ะใจถึงไหมใช่ถึงไหมรู้<ะ>ค่ะว่าตอนนี้ตัวเปล่าอพยายามพยายามแอรให้เรียบร้อยจเจ้าค่ะเอาตัวจริงมาคุยกันดีเป่ามันจริงใจดีเ <laughs> จาา้าค่ะคื อ, อจะจะส่งสภาวะที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะคะว่าคือระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่า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 ใช่ไมมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขไปนะมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไปคนที่<อ>ฉลาดมากเลยนะพาฟแฟนมาเข้าวัดเนี่ย<อ>ถ้าต่างคนต่างภาวนาเป็นนะชีวิตจะครอบครัวจะมีความสุขที่สุดเลยส<อ>่งมาร<อ>้อยสิบยกมือไว้คนอื่นอย่าเพิ่งยกร้อยสิบแล้วก็ไปร<อ>้อยเกเวลามาเรียนนะบางคนกลัวว่าหลวงพ่อจะเรียกส่งกันบ้าน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 S <S ระหว่างที่เราเจริญสติพอเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยจิตยังยอมรับความจริงไม่ได้ <S <S เราเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังยอมรับไม่ไดนะ้ให้รู้ทันว่ามันมันกลัวขึ้นมาหรือมันเบื่อขึ้นมาหรือมันรู้สึกเวิงวางขึ้นมารู้<ม>ต่อจากความรู้สึกที่เรา ก, <ำ>ก็รู้เหมือนกับมันเป็น <S <S ความรู้สึกชนิดหนึ่งน ะ, <S <S ะนะรู้เหมือนที่มันเป็นตัวโกรธตัวหนึ่งตัวโลภตัวหนึ่งนั่นแหละ เห็นความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขาดสะบั้นไปจิตจะเป็นกลางค่ะจิตจะเป็นกลางก็ดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยเร<อ>นะืรู้ไปเรื่อยเรรู้จกนกระทั่งปัญญามันพอปัญญามันพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเนื้อหนาะมันมีความสุขขึ้นมาก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวาโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวแล้วก็จิตก็ทํางานของเขาเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย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 จะคล้ายๆกับ น, น้องเขาค่ะเหมือนกับหลวงข้อตอบมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะว่าจะเห็นความอย า, อยากอยู่มากแล้วก็แบบเห็นมากๆแล้วก็กโกรธเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทํทำยังไงคะ่ะแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดก็เห็นไหมม <c oughs> ันเป็นไปเองมันไม่ใช่เราหรอกคอ่ะไปะส่งไปเบอร์ไลายล้านหกหกเบอร์เจ็ดเบอร์สิบห้านะสามท่านข้างหลังเยียบข้าง ย, ยกเลยนะสงสัยจะไม่ถึงหรอก